ในพื้นท่สุดท้ายของงานตัดหินคุณมอไตรโรวันที่5พฤศจิกายน2 5 0 8ณวัดปาบ้านตา จ, จังหวัดสุริอดดอนทนีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนวันนี้เป็นวันศุก้าที่ท่นานจะบุญทั่หลายเรามบำ มีความดีแล้วก็เพื่อการที่จะประทับพระจากองค์ตาตามพรติธรรมดาซึ่งมีมาก็ตั้งมือไปแม้จะมีความอะไรคิดถึงก็จำตั้ง ยานจำเนินไปตามปติธรมรมนาด้วยกันทั้งสอฝ่ายคือผู้อยู่ทางนี้จะต้องคิดถึงท่านผีมาแล้วยะจากไปทำปีจากไปก็ยัมจะคิดถึงคือที่อยู่ทางนี้เช่อเดียวกันแต่เรื่องปติธรรมาานาคือการพัดคลาฝากันให้ก า, าเป็นข่าวสา้ เป็นขงเคยมีมาแล้วตั้งแต่การมไองเพื่อนเพียกทางหลวงครจะไปปลูกบ้นติเตียงทำไม่ทำมาปิดทางถนนเหลืองงั้นย่เป็นไปไม่หด้ปิการปิการหขวงงั้นคติธรรมดา ยางเป็นไปไม่มากเช่นเดียวกันการทับท้าจากกันในชาเป็นก็ยังมีหวังที่จะพบกันในวาระต่อไปไม่วันใดก็วันแต่การทับทจากกันใความสลายของข้อพันนี้ที่สุกแก่จะเป็นขงสุดท้ายที่เราจะได้พบ นาคตตาและจำที่เสียงกันมากมีพระพุทธเาจ้าแผนเรียกน่โลกสังขารเราทำที่รมกรันแล้วก็แยกสายกันออกไปให้น้นา ม, มาคลงคานีเสียงผสมมีประชุมะมีแต่สลายไปม่วาดทางหนืไม่วัดางหนื ทางไหนนะได้เห็นได้ยินแร้วก็ผ่านไปทางไหนครับมีความตากดขึ้นแล้วกัจสไหลไปขพิ่มเยีะขั so ้นอย่างนี้หลักของพระพุทธศารนาท่านถือเป็นธรรมะทั้งนั้นเพื่อเป็นการเตือนจิตใจทั้งหลายผู้ทุกขผู้จะการรู้ตามหลักทัศนธรรมดาที่พระองค์ท่าน ปรกาต่อนจะได้ปฏิบัติต่อทัศธรรมดาทั้งภายในก็ภายใโดยถิตอจะไม่มีความดีใจเสียใจความใจของเราให้เอืเอียงโตกเศ้าด้วเพอเพินไปเพินมเพหนดทัศธรรมดาการเรียนด้วยการปฏิบัติธรรม ขอเคือให้ร bon ู้ว่องขติธรรมดาที่เป็นใจยุติมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่ในโลกแห่งนี้การที่ใจได้รับความทุกข์ความลำบากความเนื่องจากใจในสามารถจะรู้ถ่ายขิธรรมดาที่เกิดขึ้นภายนอกและเกิดขึ้นภายในเพือจึงขอให้บำเพ็นใจถ้าะใจเป็น ตัวก่อเหตุเหนือใจเป็นตัวก่อเหตุผลกระต่างใจเ ก, กิดขึ้ น, นามาให้รับความ ด, ดีใจมั่งเกียรติมาเพื่อทำงานสุดที่แบบให้รับความสุขบ้างเพื่อส้างความที่บำเพ็ญตนเป็นสามาชุ่ยถากทันคติธรรมดาทั้งภ า, า, ายหน้าภายในเธยรับทอดแล้ว ทนเป็นผู้มีความสม่เสมอมีความเส ม, มอภาคกับสถานะคำเพื่อทั่วไปเรื่องมีความเท่เทีเส ม, มอภาคในส่วนภายในของตนในแต่ละฐานเรื่องจิตจะมีความเส ม, มอภาคภายในตัวเองไม่ยกติตให้สูงเหนือสิ่งใดๆ ซึ่งจะเป็นทางเอียงไปสูิทาเยันละเอียดดูสีเยื้อฟ้าและไม่ทำไม่มีความสําคัญภายในใจว่าใจนี้ไม่มีความต่ําหรือเหนือระดับสัมผัญจากสาระลายหรือนาแต่เป็นใจที่มีความสม่ำเสมออยตามปกติของจิตที่ไม่มีสิ่งใดเสียผลและมันเป็นจิตที่ ทรตัวได้โดยสมบูรณ์ถ้าเป็นประเทศอาหารก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆมาผสมให้มีเลือดธาแต่ภายในตัวเองก็สมเลือดาได้อย่างสมบูรณ์ละมีใจที่มีเลือดธาเป็นสมบูรณ์ขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ้นทีงสิ่งใดทันเบี้ยละ เป็นใจที่คงที่ผูกปฏิบัติเพื่อทำอันสูงสุดก็คือมุ่งใจให้เป็นในลักษณะที่สามานี้นั่นเลยตามธรรมดาของใจจะดูเฉยๆโดยไม่มีเครื่องขึ้นพิงชื่นอาศัยและย่ามเป็นไปไมนได้แม้แต่ขมะดเดียวจะต้องอาศัยอารมณ์ใบอันหนึ่ง เป็นเพื่องเกี่ยวข้องอยู่เท่านี้ข้าไม่สามารถจะเป็นตัวดีได้โดยลำพังคนเดียดังนั้นพระองค์ท่านจึงเลี้ยอนให้มีหลักธรรมให้เป็นเครื่อนพึ่งพิงอย่าให้มีสิ่งผิดเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็นเหตุทำใจให้เสียไปด้วยอาเห็นนั่นนั้นงามธรรมะเข้ามาเป็นเครื่อนพึ่งพิงดังที่ไว้ทั้งหลายได้อบเดินดี ทุกๆเวลาหรือทุกๆขนาดทุกๆหลังการให้ทานก็เป็นอารมณ์ของธรรมะที่จะทําจิตใจให้เยือกเย็นนักบุญทานที่ถวายออกไปแล้วนั่นไม่ใช่ดูความสุกหรือแต่บุญเพียงแค่สิจะเป็นนักบุญทานประเภทใดก็ตามแต่เป็นสาเหตุที่จะ ให้ปากดตัวดุนขึ้นภายในใจคืออารมณ์ที่เป็นทุ่ส์ลซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดว่าหนึ่งเราจะทำทางสองขณะนี้เรากำลังทำทางด้วยวัตถกนั้นๆสามเราได้ให้ทานไปโดยเรียกน้อยแล้วด้วยทานสมใจของเราอารมณ์เหล่านี้ล้วนแล้วังแต่เป็น อาหารอันดีเป็นลำดับต้หนักตั้งหนักเป็นเครื่องห่อเลี้ยงจิตใจให้ได้มีความเพืเย็นภายในตนนี่เรียกว่าอารมณ์ข่งธรรมนะการละษาศีลก็เป็นอารมณ์ของธรรมการเจริญภาวนาในธรรมบทใดหรือแบบพิจางนาด้วยปัญญา ทนใดก็ตามเล่นแล้วตั้งแต่เป็นอารมณ์ของธรรมที่จะเป็นเพื่องชักพ่อกิตใจของเาใครมีความสะอาดผองใสขึ้นไปเป็ น, นแบบําดัแบระดับเพราะธรรมะทราแล้วยอเปรียบเหมือนกับน้าที่ใสสะอาดสาให้จากมลิณเนี่ยึงเป็นทิทนนนกข์น้เื่อไดนาไปชักพ่อหรือทำประโยชน์เกี่ยวกับสิงใด สื่งนั้นจ่อกลายเป็นของมีประโยชน์ขึ้นมาแม้สถานที่สกปรกโตโคลแต่เมื่อได้รับง้นทีสะอาดไปซักครอกแล้วย่อมกลายเป็นสถานที่สะอาดขึ้นมาเชือกผ้าเรื่องเนื่อผมดูเครื่อกผ้าไม่สอยที่ะกปรกเมื่อนำน้ำพีสะอาดเข้าไปพระล้างย่อมกลายเป็นของที่ไม่ใช่ไม่สวยขึ้นมา เป็นของสะอาดขึ้นนะธรรมะธรรมะพอ า, า, า, า, ายามเป็นเช่นเดียวกันกับน้าที่ใสๆถึงที่เป็นมลทิมจิตใจในใจก็ได้แต่อารมณ์คอยข้อควรจิตใจฮะเนมีความข้อมองอยู่ยเสมอมีความเข้อมองน้อยก็มีทุกข์น้อยมีความเข้อมองมากมีอารมณ์มากมามมาก็เป็นทุกข์มาก จิตดูเฉยๆจะแสดงทุกข์ขึ้นมาภายในตนย่มเป็น ต, ตัณหาคลองอาศัยเหตุปัไทยเพื่องส่งเสริมดรับป่วนมีอารมณ์เป็นตัณหอันเป็นไข่ข้าศึกข้าต่อแรงคามจิตใจใจจึ ง, ง, งจแสดงเป็นอัการต่างๆขึ้นมาอาจเกิดความหนักอกหนักใจเกิดควมน้อยใจ เกิดความเพียความเพลินเกิดความทุกข์มากบางน้อยบ้างขึ้นหนัมีเรื่องแรกตั้งแต่อดีตที่เป็นเครื่องทำใจให้ข้อหมองเท่านั้นหรือเป็นเครื่องลังความใจเั่านั้นธรรมะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับนามจึงเป็นสิ่งจําเป็นธรรมชาติจำเป็นที่เราจะฝ า, า, ากไจากับในนั้นเมื่อจริงที่ มีอยู่ภายในใจทั้งเราเป็นสิ่งที่มาถึงจากขนายัางฝังอยู่จิกับจิตใจเมื่อไรํารมะธรรมะเราจะจากเข้จายเรีวยว่าถือว่าเป็นของจำเป็นด้มเป็นไ่นานๆแต่เป็นของจำเป็นข่นมืตอตักเข่นเดียวกับมัตถุสิ่งของที่เรานำมาใช้เป็นประจำ เมื่อมีความตะกบตะกขึ้นเมื่อไรน้ำก็เป็นของจําเป็นขึ้นมาในขณะที่เราต้องการธรรมาอารมณ์แห่งธรรมจึงเป็นเพี่งเดียวจักน้ำ้งหลักชักพ้อกิจใจขนาดชักพ้อไปวันละเล็กและน้อยชักค้อไปไม่หยุดไม่ถอยเพราะอนนาำนาจความเพียรความอดทนความดัดแปลนเป็นเอง ใจย่อมจะมีความสุขความสบายขึ้นภายในตัวและท่ากายเป็นใจที่สะอาดสงศ์ขึ้นมาเป็นลำหนักเนมอบางนั้นการอดลมจิตใจจะมีการยากบ้างง่ายบ้างก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยดกลายเป็นอุปสรรคห่อตัวเองถ้ามันมีการสืนบ้าง ยากมากลําบากมากก็ไม่จับหน้าเราทำงานการทํางานไม่ว่างานประเภทแบบก็มีความยากความลำบากขึ้นมเดียวกันตามแต่งานนั้นมีความจําเป็นด้วยหลักเบ้าแค่ไหนเรื่องการอบรมใจด้วยธรรมะหรือนำธรรมะให้เป็นเที่อเป็นเพื่อนหรือเลี้ยงใจเข้ย่อมเป็นนะ ขนาดเดียวกันใจนี้เป็นสมบัติของเราอันล้นข่าทุกๆคกนไม่มีสิใดที่จะเป็นของมือคุณค่าดิ่งกว่าใจซึ่งแข็งร่างหรือนับบัตรนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไว้ในบ้านในเรียนในวัดและอ า, ารามเล่นแล้วกว็มีไว้ขนาดเป็นเครื่องบรรทัย หรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีความสิดความสมัครไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นข่าสึดขอจิตใจทั้งหลาะพอคาสมบัครมีมากมีน้อยก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องกระดับจิตใจหรือส่งเสริมใจทั้งหลาให้มีความสุดความสมัแต่ผาใจเราไม่รับการอบรมด้วยธรรมะทิ่งนะที่กล่ามานี้อาจจะเป็นภัยต่อจิตใจทั้งหลายบ้าขงขา้าพเจ้าว่า โลภธรรมนานไปกันโทคความโลภไม่รู้จักประมาณขาเป็นน้ำก็เแบกบล้นต่างนั่นแล่ท่านน่ะเป็นอันตรายต่อบุคคลทำเอาความโลภมีหลายชั้นโลภยากด้ทของคนอื่น นั่นเป็นประเทศที่ยากโลภจนไม่ในของตัวเองแต่ว่าจนไม่มีวันมีืีไม่มีเวลาทักผ่อนร่างกายจิตใจนี่แต่จะเอาให้ได้แบบลือโลกเขาโดยถ่ายเดียวเมื่อเรทำานึ่งถึงสภาพของกายว่าจำเป็นจะต้องมีการทักผ่อนหรือเพาะผ่น งา น, นหนัก บ, บ้างมีความพอดีแต่กรรเป็นบ้างมีก็เป็นไทยแต่เราเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างขาดใจไม่มีความขลาดรอบคอเพราะขากการอดกลั่นแล้วโดยมากก็ต้องกลายมาเป็นไทยแตตัวข้างหนนะไม่ต้องพูดถึงเทศของไทยบ้างแม้จะเพศของข้าก็ยังเป็นไทยบ้างเหมือนกัน การเป็นใัยครอบคราภาไม่วาม่าภาคตอบเป็นเองเนื่องจากมไม่ได้ใช้เพืนด้วยอัรดาให้รู้จักความจำเป็นมากน้อยสั้นหลักตัวทั้นหมัแทนที่มีสิ่งใดขึ้นมาจะกลายเป็นเครื่องระดับจิตใจเป็นเครื่องสรงเสริมใจให้มีความสุขความสมายเพราะ เครื่องก็ดับนั้นก็กลายมาเป็น50เครื่อง낭พานหรือสังหารจิตใจให้ร่วมสนุกเสียหายก่อนได้หักธรรมะจึงเป็นของจำเป็นที่ให้เราทุกทุกขันซึ่งเห็นว่าใจเป็นของมืีคุณภาพจะต้องนํามาเป็นเครื่องกํากับใจคือรักษาใจให้รู้ความพอดีพอประมาณสาหรับเรา ทุกสิ่งเป็นประโยชน์เราอาศัยโลกไม่ยิ่งเจงขวัญขาย้าตุันธซึ่งเป็นตัวโลกหนึ่งก็จะตั้งอยู่ไม่มายเพราะธาตุพันที่ตั้งมาเป็นลำดับ็นกระทั่งถึงแบบนี้ตั้งมาด้วยความเยียยาหรือบำบึงตลอดมานับตั้งแต่ถึงในพันทั้งลำดับถ้าตั้งในรับพันธุ์บำบึงมาเป็นลำดับันมอ เป็นกัะทางถึงบัดนี้ถึงบำบงทางนี้ต้องอาศัยการสอนขายจึง่จะมือขึ้นมาและนำมาใช้ได้ตามเวลาที่ต้องการหรือภาพถึงที่ต้องการเนี่ยแต่ทางด้านจิตใจกับธรรมะเราก็ถือว่าเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับ การวิ่งเต้นฉันสายเพื่อขาดฉันแม่นัอนการอบรมจิตใจด้วยธรรมะจะยากหรือง่ายเราก็ถือว่าเป็นการทํางานเส้นเดียวกับงานภายในเพราะยากก็งานเพื่อสมบัติซึ่งจะนํามาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ อ, อะไรงานภายในคือการบำเพ็ญใจด้วยธรรมะ ก็เพื่อสมบัติภายในเพื่อจะนั่นมาเป็นเครื่องบำเหงจิตใจให้มีความสุขความเจริญขึ้นี่คือว่าเราไม่เสียทั้งสองด้านเรื่องเกี่ยวกับเปล่ย น, นร่างกายเราก็เตรียมพร้อมไว้เพื่อลายจําเป็นหรือจําเป็นอยู่ตลอเวลาทางด้านจิตใจเราก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ที่จะหาเป็นไปเพื่อความแก่การอบรมใจที่เป็นความมุ่งกะระสงอย่างยิ่งก็คือเพื่อความสงบใจเป็ น, ปนใจที่มีความสงบย่อมมีความเ ย, ยือกเย็นมีความกามเบยจิตเบาใจมากกว่านั่นก็เป็นความสงบมากที่ความสุขก็ เพิ่มไปมาขึ้นเป็นน้ำเมื่อมีโอกาสเราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งไม่ได้เห็นแจ้งที่ไหนคือเห็นแจ้งในสภาพความเป็นดีแห่างาพัฐนอะริยะนาถธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแยกดูให้ทัด ตามหลักความจริงของภาตขันที่มีอยู่กับตัวของเราสิ่งที่เป็นของคงที่หรือเป็นภาตเดินได้แก่ภาตสี่คือดินน้ำลมไฟซึ่งมีอยู่ในกายนี้แยกแยะออกโดยทางกันด่างถ้าจะแยกไปทางอนิจังก็ ให้ทราบว่าทุกชิ้นที่มนนีอยู่ในร่างกายนี้เป็นสก้าที่แปวควรู่ตลอดเวลาประจำ็นถ้าจะแยก อ, ออกไปทางทุกก็ทีทัดขันอันนี้เป็นกองทุกภูกเขาทั้งลูกจะสูงมีหนาแน่นเท่าไหร่ ไม่ปรากดยอามาพับผมจิตใจของเราแค่นับความเดือนั้นนินทาเหมือนภาพขันที่มีอยู่ตัวข้างหลงนี้อาจจะแยกออกไปทางอนาตตก็เราหาดูที่ว่ามีสัตมีบุคคลมีหญิงมีชายมีเรามีเขามีทั้งเราของเขาดีูกับเสียนใดบ้างในอวัยวะที่คลองตัวอยูน่นั่นหมายถึง การแยกต่อเพทย์ของสมุนไว้มากมายเรื่องต้นก็ธาตุตีแยกจากธาตุตีออกมาก็เป็นอาการที่สามที่สองในอาการทั้งนี้เราจะถามหรืออะไรจะตรวจตาดูให้คักว่าสิ่งใดควรจะถือว่าเป็นเราเป็นทของเราเป็นฝัดเป็นบุตรกนได้มีไหม แม้แต่เราให้ชื่อว่านั่นคือถึงนั้นนั่นคือถึงนั้นสภาพเหล่านี้ก็ไม่รับภาพจากใครว่าเขาเป็นอย่างที่เราให้ชื่อ ใ, ให้นามอย่างนั้นจริงคำว่าอนัตตาก็คือการปฏิเสธในความเป็นตนเป็นแบบเป็นหมกเป็นเมาเป็น เ, นเนข หาจะพิจารณาตามอาการก็ให้เห็นแต่จับแต่ว่าอาการหนึ่งๆแห่งกายที่ปกคลุมกันดีนี้เท่านั้นหากพิจาราคก็ให้เห็นจัดแต่ว่าธาตุหนตามหลักความจริงของธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่หลักความเคลื่อนแฝงด้วยความตอมของใจมันด้อมเพลิดเพนขึ้นว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้เป็นต้น และยึดมั่นเอาตามความสำคัญั้งคนที่ถนัดใจโดยไม่ได้คำนึงว่าการเสกสันตั้นยอและยึดถือสิ่งเหล่านี้มาสำคัญว่าเป็นตนนั้นมีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นอุปท า, านที่กดสวงจิตใจให้รับความทุกข์ บีดขั้นอยูทานในใจนั้นท่านั้นไม่เห็นมีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นจากคารดิถือในสิ่งการพยาณาคภาพาทั้งหลายเหล่านี้ด้วยปัญญาตามที่กล่าวมานี้จึงเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนอุปทานฐ า, ารถือมั่นนึกและความสำคัญสิซึ่งมีอยู่ตามอาการต่างๆของร่างกายนี้ให้ย้อนตัวเข้ามาเพื่อความเป็นผู้มีภาระ หนักนั้นให้น้อยลยนะไม่โดยพิจารณาเพื่อจะยึดถือเอาจริงในนี้แต่พิจารณาเพื่อรู้เท่าตามหลักความจริงแล้วซอยคั้นกังวลเข้ามาเป็นขั้นทันจงสามารถต่อยวางได้ด้วยปัญญาโดยสิ้นเชิงในส่วนแห่งร่างกายนี้มีท่านเรียกว่าปัญญา การพิจารณากายไม่เพียงแต่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี้ยผ่านไปเท่านั้นต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามโอกาสที่ทววควรเสมอครับนปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคเป็นผู้สามารถจะสามารถยื้อเรื่อง ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจทั้งตนได้ชัดเจนเป็นลำดับกหลักไปและไม่ท่าภาพจากหลักความจริงวนเกิดเป็นความข้องขันจิตใปต่างๆบางที่เราทั้งหลายได้เคยถหงนไม่ได้ยินกันมาจนหนาหอคือเป็นเป็นนั้นเพราะข้ามหลักกัดประทุม หรือข้ามหลักปฏิปทานสี่ซึ่งเป็นธรรมนับแปลงของพระโพุทธิจ้าครับนี่คือกล้ามาทั้งนี้ทั้งเหลีกยมแบบคอย่ากพิจารณาและ้ะพิจารณาเราความโอกาสที่ควรจะพิการตายเมื่อพิจารณาส่วนเหล่านี้เป็นอารมณ์อยู่ก็ยิ่งจะมีความยิ่งแย้มเปลี่ยนไสและมีความเบาภ า, ายในจิตใจ มีความแยกายะสอดส่องมองทะลุไปตามสนทางด้านกายท้างบนข้างหลังข้างหน้าท้างหลังและนอกจากนั้นังสามารถจะคาบสภาพพวกทั่วไปได้ด้วยเพราะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดจะมีความผิดแปกกันในโลกนี้มีถนะดับปปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาหนึ้หมายถึงปัญญาที่ สอบส่องมองทะลุเห็นตามสภาพความเป็นจริงทั้งภายนอกภายในโดยไม่ต้องกลับมาเทียบเทียงหรือวัดตวงกันเพียงเห็นเรื่องของเราทัดก็เรื่องข้งางในก็เป็นเช่อนเดียวกันก็เป็นอันว่าทัด ก, กันตามกันมีที่พระพทุทธเจ้าท่านกล่าวโลกวิถีหรือรู้แจ้งโลกในธรรมที่ว่ารู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้ากับของ บรรดาสาวกทั้งหลายมีแตกต่างกันอยู่บ้างองค์ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกนั้นรู้แจ้งทั้งสภาพความเป็ น, น, นรจริงทั้งหลายด้วยและรู้แจ้งครับด้วยขยานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยส่วนบรรดาสาวกทั้งหลายมีความรู้แจ้งโลกก่อนรู้แจ้งโลกของธาตแข่งขันธ์ภายในเรื่องของตัวเองและเรื่องของตนเอ และถอดถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นความพ้นไปได้มีทิดแตกกันอยู่บ้างความคุณสมบิของสาวกกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีความต่างกันาการพิจารณาการนอกจากกรแยกขยาย ดูแล้วยังกําหนดให้สลายลงไปให้เห็นกระจกตับปัญญาในขณะนั้นจนกลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟจริงๆกระจกตับปัญญาอย่างชัดเจนจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เมื่อผอนขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแต่สภาพอันหนึ่งที่เป็น ภาพเรื่วงพิจารณาของกันนาหาแสดงตัวว่าถ้าหลายตัวลงไปมีเป็นท่านของกัญญาที่เกี่ยวกับกายท่านของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเป็นท่านที่ละเอียดเข้าไปแต่เมื่อเราทราบทัดในเรื่องของกายในลักษณะใดการพิจารณาใน นามธรรมา ท, ทั้งสีนี้ก็พิจารณาไปการทำนองเดียวกันและรู้ความเกิดความดับของอาการทั้งสีนี้ก็ะจากเบื่อธรรมดาขึ้นเดียเรื่องภาระที่เคยกดทั้งจิตใจซึ่งเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นในส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมา ท, ที่เป็นอยู่นี้ย่อมลดน้อยลงเป็นลํำดับจิตใจมีความ กล้าหาญหรือรื่นดึงต่อทางพ้นทุกโดยไม่มีกลางวันกลางคืนมองเห็นทางพ้นทุกเช่นเดียวกับเราเดินทางไปกำลังเหนื่อยๆแล้วมองถึงหมู่บ้านซึ่งนอาจับใยนั้นด้วยความดีใจว่าตนจะถึงในไม่ชิ่นาทีผู้ที่ติยนาเห็นภายในส่วนร่างกาย ชัดเจนและส่วนขันทั้งสี่คือรูปเวทนาทัญญาสังฐานอิญญาณอย่างชัดเจนด้วยปัญญาก็มีความอัศารได้มีความดุดอดือต่อความพทุกขึ้นเดือเรื่องจิเรศซึ่งเคยแพ่ท่านไปทุกแห่งทุกผลไม่ว่าทางรีปทางเสียงทางสื่อหรือทง ก็ค like ือข้ข้อีกอยางหน่ก้าวหรือว่าข้าวอ่าวอ่ในรืงอาเี่มอาเกี้าวกข้า้ม้าวจางาวจืดวเ่าขบเสียงกินรถเครื่องทั้งถาที่เคยเป็นข้าวสิบหรือถือว่า เป็นสถานที่เกิดแห่งที่เด็ดกัรหาอาชวะข้อมูลปัญหาเพราะอำนาจของกัานเนี่ยเลี้ยกล่อ้นครับเป็นงี้ยไม่มีสิ่งใดที่จะหน้ายินดีหรือหน้าสิดติดติดกันถ้าเป็นต้นไม้ก็เนนกียกลันได้ขาดจริงการฟ้าขาลงหมดแห้งทนก็้นลงแล้ว ยังเหนือแต่งะมะตอนอกไก่นั่นก็จุดค้นะมะทอถอนขึ้นมาใน<ม>เรื่องของปัญญาที่พิจารณาเข้าไปเป็นลำดับลำดับก็เช่นเดียวกับเราสับงเป็นไหมหรือนน้นเป็นไหมหรือมากขึ้ น, น, านามา เราจะไปนค้นหาคิเลสตัญหาที่ไหนก็ไม่มีนอกจากจะดูที่หัวใจซึ่งแสดงตัวอยู่โดยตรง น, นี่ถ้าจะเรียกว่าอาวิชาก่อนนี่เป็นอวิชชาที่แท้จริงรูปเสียงสิ่งเลื่อนสัมผัสไม่ใช่คิเลตตัญหาอาสวะพ า, าหัวจมูกริ้นกายไม่ใช่คิเลตตัญหาอาสวะเวทนาสัญญาตั้งาศยาลวิญญาณไม่ใช่คิเลสตัญหาอาสวะนั่น เมื่อเข้าถึงสุขันแล้วจะปฏิเสธทางเดินของจิเดชทั้งหลายเหล่านี้หมดมื่อปัญญาพอตัวิจากณาจิตที่มีจิเดชพุ่มพออยู่นั้นก็มีทางจะทราบได้ครับและแยกไขหรือทำลายกันได้ในจุดนั้นมีถ้าพูดถึงเรื่องอนาตาัตตก็นี่คืออนอนัตตาอย่างละเอียด ถ้าเราจะถือมาจิตเป็นอัตตาก็าจะถือมั่นในจิตที่เป็นแต่กรดุ่ยทีเด็ก็เป็นอันว่าถือมั่นทีเด็ด้วยถือมั่นกับภพบอัตตาเป็นเหตุจะก่อความเกิดเก็บเจ็บตายได้อีกด้วยถึงท้องท้ายปัญญาเข้าไปที่แจงในจุดนั้นที่เรียกว่าเป็นทีเด็ที่แท้จริงมีอยู่ในจุดเดียวนั้นเพราะได้รวมตัวเข้าไปหมดแล้ว พอปัญญามีกําลังเต็มที่ก็ทำลายจุดขอ่งพิเรตอันเป็นจุดสุดท้ายนั้นได้โดยที่สเมื่อได้ทำลายพิเรไในจุดสุดท้ายแล้วธรรมอัตาตัวนี ไม่มีสิ่งใดจะเป็นต่างๆายในจิตนั้นพราะมันแบ่ในแบผู้ผูปฏิบัติธรรมะเมื่อการอดเยนจิตใจโดยไม่มีทารข้อแผลอะไรเลยนะย่อมมีผลจากดวงหน้าในปัจจุบันเลยคับหรือในปัจจุบันม่ผิดทที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ได้นอกเหลือไปจากกายจัตใจของเราทุกๆคร ทรมาทั้งหมดแปดหมื่นสรมพันก็ทำมาขันก่ะนรวมอยู่ที่เพราะแรงยืดดีของกายของจิตเป็นทุกทิศทุทาการถอดถอนทำไมถอดถอนที่นี่จะไปถอดถอนที่ไหนเราจะหาดูที่ไหนมันก็ไม่มีที่ไม่มีดีมีเชื่อนอกจากจะดูที่กาทัองเราซึ่งเป็นสถานที่ติดความดีความเชื่ออยู่ประจำตัวตลอดเวลาที่ผ่านมะ จุดนีนน้แต่การปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้มีต่างนิสัยอยู่บ้างนีสายเป็นบางลายก็ต้องอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำคอยแนะนำเสมอเพราะเกี่ยวกับสิ่งภายนอกจะทำให้รู้เห็นสิ่งต่างๆดีบ้างชกลียบ้างทำให้โพื่อเบิทํทำให้เข้าโศกขึ้น แสดงนิสัยการปฏิบัติไปได้โดยสะดวกสบายที่ไม่เกี่ยวกับกลิ่นแล้วนั้นเมื่อกล่าวถึงคำคันนี้แล้วผู้แสดงก็หมดความสามารถที่จะแสดงให้ยิ่งกว่านั้นไปในเิ็งของอาราธนาบรรดาขันนักปฏิบัติทั้งหลายและเพื่อนเพื่อนทั้งสัตว์โปดให้ทำความเข้มแจต่อจิตคันมีค่าข้างหลาุกตั พยายามพัฒนจิตใจของเราด้วยธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมเสมอให้ถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกับจิตการอื่นๆเรื่องความสงบเย็นใจในบัดนี้ก็ดีในการต่อไปก็ดีอย่างไรจะต้องเป็นไปภายในจิตใจของเราผู้มีความเป็นเครื่องอบฝนโดยม ไ, ไม่ต้องเป็นไปในเอลสารหรือธรรมีจริง ขอรัฐนาคินกสีรัฐนากรที่พระพุทธเจ้าได้ทำพรสงฆมาเ้างป้องกันทั้งทั้งหลายให้มีความสะดกสบายทั้งในใจและจากจ่าที่จะษอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพื่ะการเทอ